เช้านี้ก็ได้พูดไปแล้วนะว่ามาวัดป่าสุกโตเนี่ยหลายอย่างที่เราทําเนี่ยนะมันจะไม่เหมือนกับที่เราคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตื่นการนอนนะการวางจิตวางใจแล้วก็ที่แตกต่างแล้วก็ที่เราจะไม่คุ้นเคยก็คือที่นี่เวลากินอาหารเนี่ยเราจะกินด้วยความสงบนะ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 แต่ที่นี่เนี่ยเวลาเรากินอาหารนะเราก็นั่งเป็นแถวแล้วก็มองไปทางเดียวกันคือหันหน้าไปทางพัปปนะทโรแล้วก็กินอาหารด้วยใจที่สงบนะถึงแม้ว่าใจอาจจะไม่สงบบ้างเพราะใจมันคิดโน้นคิดนี่นะแต่ว่าอย่างน้อยๆเราก็ไม่พูดไม่คุยกันนะการกินอาหารแม้จะอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมาย หรือว่ากินด้วยกันนะเป็นร้อยนะแต่ว่าไม่มีเสียงดังไม่มีเสียงคุยนะอันนี้คือบรรยากาศนะของการกินอาหารนะที่วัดป่าสุกโตโดยเฉพาะอาหารเช้าไม่ว่าจะเป็นพระหรือโยมนะเราก็จะเรียกว่าตั้งหน้าตั้งตายอยู่ ก, การกินก็ได้แต่ที่จริงมันไม่ใช่หรอกมันอยู่ที่การตั้งใจมากกว่าเราก็กินด้วยความสำรวมนะ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 ปฏิบัติด้วยนะคือเจริญสติขณะที่กินอาหารการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องมาที่วัดจะต้องมานั่งหลับตาหรือแม้แต่มายกมือสร้างจังหวะนะเดินจงกรมการปฏิบัติธรรมทำได้ทุกที่ทำได้ทุกเวลาทำได้ในทุกอิริยาบถอิริยาบถ ท, ที่ธรรมดาสามัญในที่พื้นๆ น, น, นี่แหละนะ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 หลายคนก็ไปสนใจตรงนั้นแหละไปหาซื้อนะเพื่อสร้างภาพลักษณ์หรือเพื่อยืนยันความเป็นนักปฏิบัติธรรมของตัวแต่พวกนี้ไม่สำคัญนะเท่ากับเรื่องของจิตใจเราวางใจอย่างไรเจงขณะที่กินนะใจเราก็อยู่กับการกินแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นรู้เวลาใจเนี่ยมันก็เพิ่มก็เพิ่มเพราะชอบก็เพิ่มเพราะไม่ชอบ กัเพิ่มหรือเพราะเคลิมคลอยกับรสชาติอาหารหรือเพราะรังเกียจนนะไม่ชอบรสชาติอาหารไอ้พวกนีก้คืออาการของใจที่เราเพียงแต่รู้นะว่ามันเกิดขึ้นก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติเรียกเป็นการภาวนาละเพราะนั้นเนี่ยจะกินที่ไหนนะหรือว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่บนรถน่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถเม์นะจะนั่งคอยเพื่อน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 ที่เกิดขึ้นไม่ว่าบวกหรือลบไม่ว่าเครืองคล้อยหรือว่าผักใสนะแล้วเพราะอย่างนั้นแหละก็ทําให้เราเนี่ยกินอย่างรู้จักประมาณรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพอนะเพราะว่าบ่อยครั้งเนี่ยอ่ะถ้าอาหารอร่อยนี่นะเราก็เคียเค้ยวเคี้วเคี้ยวนะบางทีกลายเป็นมูมมาไปหรือว่าไม่หยุดสักทีนะทั้งที่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 อย่างนี้เรียกว่าไม่ได้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะถ้าทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยการทำทุกอย่างด้วยใจเต็มร้อยนะไม่ใช่ครึ่งๆกลางๆไม่ใช่ทำหลายอย่างพร้อมกันนะทำอะไรก็ตามนะใจก็อยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยทำอย่างเดียวพอนะเหมือนกับเวลาเรากินข้าวเรากินข้าวทีละคำเวลาทำอะไรก็ทำทีละอย่าง ถ้าทำทีเรีออยนนั่นแหละใจมันจึงจะเต็มร้อยนะไม่ใช่ทําหลายอย่างพร้อมกันใจมันก็เลยแบ่งซีกนะแบ่งเป็นอ่าเป็นเสียงเสียงเป็นซีกซนะเพราะต้องทําหลายอย่างพร้อมกันอันนี้เรียกว่าไม่ได้ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นทําความเข้าใจให้ดีนะเวลาเราพูดทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเนี่ยนะเราเข้าใจความหมายจริงหรือเปล่านะแล้วก็เราซีเรียสหรือเราเราจริงจังกับมันแค่ไหนนะ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 แล้วกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวแม้ว่าเราทำอะไรก็จะทำได้ดีนะไม่ใช่นะทำไปแบบไม่รู้ตัวแล้วก็ทำผิ ด, ผ ด, พ, ดพลาดหรือว่าทำจนไม่รู้จักประมาณไม่รู้จักความพอดีไปอาลาวก็เตรียมรับผ่อนะอิชิตังปฏิตังตุมหังคไถทะผรที่ท่านปราถนาแล้วตั้งใจแล้วคีปเมวัสมิชาโต จงสามเหล่ยโดยฉาพรานสาเพยปูเรนตูสังกับปาออความดำหรีทั้งปวงจองเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันในวันเพนมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้มณีอ น, นสว่างสวัยควรยินดีสาพีดิโยวิวาชนตุปานจารายทั้งปวงจองบำราไปสาปโรคโควินาสตุ โรคทางปวงของท่านจงหายมาเตพาวัตวันตารายโยอันตารายามีแก่ท่านสุขีธีชายุโกภาวาท่านจงเป็นผู้มีความสุมีอายุยืนอาภิวาธนาสิลิสันิจังวุธาปัจจายโนจัตตารโอธรมวาทันติอายุวันโนสุขังภลัง ตามสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพระละยนเจริญแก่บุคคลผูม้มีปกติไหวกรบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิพภาวาตูสาพพมังคลังขอสาพพมงคลจงมีแก่ท่านราขันตุสาเทวตาอรราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาภาภทธานุภาเวนา ด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาภาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังคานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สทธาโสธิภาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านดูเมื่อเทม